บทที่23บุตรสุดกตันยูคำบอกกล่าวของพระครูเอือน้นเพื่อนพระครูเจริญมีผลทำให้สมภารวัดป่ามะม่วงขาไม่ออกนายแพทย์นางพยาบาลที่มาอยู่กับลูกชายในธนาคารตลอดจนญาติโยมที่นั่งแอร์อัดกันอยู่ในกุฏิ ต่างก็รู้สึกรันทดหดหูไปตามๆกันลูกชายในธนาคารซึ่งได้พยายามทําตนให้เป็นลูกกระตันยูเหมือนอย่างที่โฆษณายาแก้ไอชวนป่วยปีแปรกนในทีวีพูดเสียงตำหนิว่าลูกทรพีแบบนี้ยังมีอยู่อีกหรือครับผมนึกว่าหมดยุคหมดสมัยไปนานแล้วพยาบาลสาวจึงพูดสนับสนุนว่านั่นสิคะ ดิืฉันนึกว่ามีแต่แม่ทรพียุคนี้แม่ทรพีมีมากมายเหลือเกินนะคะหลวงพ่อไม่นึกว่าจะมีลูกทรพีด้วยเป็นยังไงล่ะโยมแม่ทรพีน่ะพระครูเอื้อนไม่เข้าใจก็แม่ที่เอาลูกมาทิ้งน่ะสิคะท่านที่โรงพยาบาลมีออกแยะประเภทมาไข่ทิ้งไว้คนสมัยนี้จิตใจต่ำซามลงไปทุกวัน คนทิ้งลูกเขาไม่เรียกว่าแม่ทรพีหรอกนะโยมน่าจะเรียกว่าแม่ใจร้ายใจดําเลือดในอกค้องตัวแท้ๆย่างทิ้งได้ลงคอแล้วก็ไม่ดีมีแต่สมัยนี้หรอกสมัยก่อนก็มีอาตมายังต้องเลี้ยงไว้เลยเมื่อสมัยยี่สิปีก่อนก็มีแม่ใจร้ายเอาทารกฝาแฝดมาทิ้งไว้ที่ประตูหน้าวัด อาตมาเก็บมาให้แมชีเขาช่วยเลี้ยงไว้ตอนนี้อายุยี่สิบแล้วล ะ, ละท่านพระครูหมายถึงพี่น้องคู่แฝดคือในแดงกับในขาวท่านไม่สนใจว่าในแดงจะนั่งอยู่ตรงนั้นหรือไม่เพราะบัดนี้เขารู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงเรียกลูกที่ทิ้งพ่อแม่ว่าลูกทลอพีละคะทาไมไม่เรียกว่าลูกใจร้ายใจดำ พ่อแม่ของตัวเองแท้ๆก็ยังเอามาทิ้งได้พยาบาลสาวตั้งข้อสงสัยท่านพระครูจึงบอกให้ศารยแพทย์หนุ่มคนที่ฉลาดปราดเปรื่องกว่าช่วยอธิบายให้นางพยาบาลฟังหมอมหนุ่มจึงถามหล่อนว่าคุณไม่ได้เรียดรามเกียร์หรือเรื่องนี้อยู่ในเรื่องรามเกียร์ยังไงล่ะทรพีเป็นชื่อควายมันฆ่าทรพาซึ่งเป็นพ่อของมัน เขาก็เลยเรียกลูกที่อักตันยูต่อพ่อแม่ว่าลูกทรพีคุณไม่เคยเรียนห ร, อหรือไม่เคยค่ะแสดงว่าเขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเปลี่ยนนะของเดิมก็ดีอยู่แล้วพูดก็พูดเถอะการศึกษาสมัยนี้ไม่มุ่งสร้างคนดีสร้างแต่คนเก่งคนเก่งที่ขาดความดีจึงทาลายประเทศชาติได้มากกว่าคนไม่เก่ง ปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากคนเก่งทั้งนั้นผมว่าการจัดการศึกษาของเราล้มเหลวนะครับหลวงพ่อนายแพทย์ผู้ปลาดเปลืองแสดงความคิดเห็นคุณหมอพูดถูกอาตมาก็คิดอย่างเดียวกับคุณหมอแม้ถ้าอาตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอาตมาจะจัดระบบการศึกษาใหม่ โดยให้กลับไปใช้หลักสูตรเก่าซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมากกว่าคนเก่งแต่ถ้าใครทั้งดีทั้งเก่งก็ถือว่าเป็นบุญวาสนามาแต่ชาติปางก่อนหลวงพี่ครับและผมจะได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากหลวงพี่ไหมครับพระครูเอื้อนเอ่ยเมื่อเห็นว่าการสนทนาหันเหออกไปจากประเด็นที่ท่านต้องการ ท่านจะให้ช่วยเรื่องอะไรล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามก็เรื่องที่เอาแม่มาทิ้งไว้ให้ผมตามที่เล่ามาัน่นแหละครับผมควรจะทำยังไงหรือว่าจะเอามาไว้ที่กุฏิหลวงพี่แทนคงไม่ต้องทาอย่างนั้นกระมังอีกอย่างผมกลัวว่าแกจะมาถ่ายเลอะเทอะคนแกเนี่ยเลี้ยงยากนะกินแล้วก็ยังว่าไม่ได้กินทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะ โยมรู้ไหมท่านถามพยาบาลสาวไม่ทราบค่ะเป็นเพราะหลงใช่ไหมคะคือแก่มากจนหลงหล่อนตอบแบ่งรับแบ่งสู้ทำไมถึงหลงหละ่ะไม่ทราบค่ะคราวนี้หล่อนไม่ทราบจริงๆไม่ทราบก็ไม่เป็นไรอาตมาตจ ะ, ะเฉลยให้ฟังญางติโยมตั้งใจฟังให้ดีนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ ขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติแก่ตัวมาจะได้ไม่ถูกลูกหลานเอาไปทิ้งทุกคนอยู่ณที่นั้นรวมทั้งพระครูเอื้อนต่างก็ให้ความสนใจด้วยว่าไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเห็นทั้งพระทั้งโยมพร้อมที่จะฟังท่านพระครูจึงเฉลยว่าคนที่หลงตอนแก่หรือว่าตอนยังไม่แก่ก็ตาม เป็นเพราะไม่ได้เจริญพระกรรมฐานไม่เคยฝึกสติถ้าเจริญพระกรรมฐานและฝึกสติอยู่เป็นประจำก็จะมีสติไม่หลงลืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องทายแล้วก็จะไม่พูดคนเดียวหรือว่ายิ้มคนเดียวเหมือนกับโยมที่ถูกเอามาทิ้งไว้ที่กุฏิท่านพระคกรูเอื้อนแล้วหลวงพี่ช่วยผมได้ไหมครับช่วยให้ลูกเขามารับกราบไป พระครูเอื้อนถามอีกท่านพระครูเห็นว่าจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้ามาช่วยจึงกาหนดเห็นหนอและได้รู้เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดเรื่องของเรื่องก็คือมันเกี่ยวกับวัตจักชีวิตหญิงชลาผู้นั้นเคยเป็นมารดาของพิสุรูปนี้มาแต่ชาติปางก่อนได้เคยพามารดามาทิ้งไว้กับบุรุษคนที่เป็นลูกของนางในชาตินี้ มาชาตินี้บุรุษคนนั้นจึงพามานดามาทิ้งไว้กับท่านบ้างเป็นกงเกวียนกรรมเกวียนที่เวียนวนตราบเท่าที่ยังเวียนว่าอยู่ในสงสารสาครผมช่วยแก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกรรมของท่านเองท่านทำกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องรับผลอย่างนี้ ท่านอยากรู้ไม่ว่าทํากรรมอะไรไว้อยากครับแต่ไม่อยากให้หลวงพี่พูดต่อหน้าญาติโยมผมอายเท่าที่ฟังดูมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยใช่ไหมครับแต่ถึงท่านจะอยากรู้ผมก็จะไม่บอกท่านหลวงพี่ไม่บอกแล้วผมจะรู้ได้ยังไงละครับท่านก็ต้องรู้ด้วยตัวท่านเองสิผมจะบอกวิธีให้ถ้าฉะนนั้นกรุณาบอกผมด้วยเถอะครับว่ายังไง ท่านพระครูจึงบอกเพื่อนภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าว่าท่านจะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือที่ผมชอบเรียกว่าเข้ากรรมฐานท่านต้องเข้ากรรมฐานเจ็ดวันแล้วก็จะรู้ได้ได้ยินดังนั้นภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าก็รีบออกตัวว่าผมเข้าไม่ได้หรอกครับไม่มีเวลาเดี๋ยวโยมเขาก็มานิมนต์ไปงานโน้นงานนี้ท่านพระครู รีบดักคอว่าท่านห่วงลาบสักกะใช่ไหมกลัวว่าเข้ากรรมฐานแล้วจะขาดรายได้ใช่ไหมขอโทษนะที่ผมพูดตรงๆแต่ผมต้องการจะช่วยท่านปัญหาของท่านขณะนี้จะแก้ได้โดยกรรมฐานเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้เชื่อผมเถอะถ้าท่านไม่แก้ปัญหาเสียเดี๋ยวนี้ต่อไปท่านก็จะลาบาก โยมคนนั้นแกจะกินจะถ่ายเลอะเทอะเปื้อนอยู่ในกุฏิท่านท่านลองนึกภาพก็แล้วกันว่าจะอนละเวงขนาดไหนผมไม่อยากนึกครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าท่านไม่ทำตามที่ผมแนะนำแต่ถ้าผมทำผมก็สามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับแก้ได้แน่นอนเพราะกรรมฐานสามารถ ใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าปฏิบัติถึงขั้นภายในเจ็ดวันท่านต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นถึงขั้นไหนครับคงไม่ถึงขั้นพระอรหันนะครับเพราะว่าผมรู้ตัวเองดีว่าชาตินี้ยังไงยังไงผมก็ไม่ถึงอย่าว่าแต่พระอรหันเลยแค่พระโสดาบันผมก็คิดว่าตัวผมเองไปไม่ถึง ไม่ต้องถึงขั้นอรหันรหรือว่าโซดาหรอกท่านเอาแค่โซดีก็พอเป็นยังไงครับโซดีผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจโซดีก็คือแค่ให้เป็นคนดีมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เท่านั้นก็ถือว่าเป็นโซดีและต้องผ่านโซดีก่อนถึงจะเป็นโซดาได้ผมตั้งเกณฑ์ไว้สำหรับใช้วัดคนที่เป็นโซดี คือจะต้องทำกรรมฐานให้ได้สามข้อได้แก่การระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างตั้งใจก็รับรองว่าท่านผ่านเกณฑ์สามข้อนี้ก็อยู่ที่ท่านก็แล้วกันว่าจะทำตามที่ผมแนะนำได้หรือไม่ผมคิดว่าได้ครับ งั้นผมขอเข้ากรรมาฐานที่วัดท่านเจ็ดวันเอแล้วโยมคนนั้นแกจะอยู่ยังไงครับถ้าผมไม่อยู่แกคงลำบากแน่พวกเด็กวัดก็เอาเรื่องเอาราวไม่ได้คืนปล่อยไว้กับเด็กวัดแกคงอดตายเสียก่อนนี่ผมจะทำยังไงดีไม่ยากปรกท่านพามาที่นี่แล้วผมจะฝากสำนักชี้ให้ ถ้าอย่างนั้นผมพามาฝากที่สำนักชีโดยไม่ต้องเข้ากรรมฐานไม่ได้หร่อครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามีกิจนิมนต์แยะผู้อ่อนวัถือโอกาสต่อรองท่านอย่าพูดเอาแต่ได้อย่างนั้นประเดียวยาดโยมเขาจะตำหนิติชินเอาได้จริงไหมคุณหมอท่านถามคุณหมอคนเก่งจริงครับผมว่าท่านน่าจะเชื่อที่หลวงพ่อท่านแนะนานะครับ อีกอย่างหนึง่งเรื่องกรรมฐานก็เป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมท่านต้องพูดบ่ายเบียงถึงผมจะไม่เคยเข้ากรรมฐานแต่ผมก็มั่นใจว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ต้องขออภัยนักครับที่ผมพูดตรงๆงแม้หมอไม่เข้าข้างอาตมาเลยแบบนี้อาตมาเห็นจะต้องทำตามคำแนะนำของหลวงพี่ท่านแล้วละ่ะเฮ้อสมัยนี้คนเป็นอะไรกันไปแล้ว ประเดียวแม่ทิ้งลูกประเดียวลูกทิ้งแม่ผิดกับสมัยพุทธกาลนอกจากเขาจะไม่ทิ้งลูกแล้วยังแย่งกันเลี้ยงซะอีกอย่างเช่นท่านภากุละเศรษฐีแย่งกันเลี้ยงจนต้องไปให้พระราชาตัดสินว่าใครมีสิทธิจะเลี้ยงท่านเรื่องราวเป็นอย่างไรคะหนูอยากทราบท่านกรุนาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะพยาบาลสาวเอ่อยขึ้น ต, ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของกุฏิก่อนอาตมามากวนท่านนานแล้วไม่รู้ว่าท่านจะอนุญาตให้อยู่ต่อจนเล่าจบหรือเปล่านิมนต์เลยไม่ต้องเกรงใจอาตมาเพราะถ้าเกรงใจท่านคงไม่นั่งนานถึงป่านี้หรอกจริงไหมแหมหลวงพี่เล่นหยอกแรงๆ แ, แบบนี้ผมชักอายยมเขาเหมือนกันเห็นจะต้องลากลับเสียทีท่านขยับกายเหมือนจะลุกหากท่านพระครูท้วงว่า อย่าเพิ่งกลับสิญาติโยมเขาคงอยากฟังเรื่องของท่านพากุละเล่าให้เขาฟังหน่อยในใครอยากฟังยกมือขึ้นไม่มีผู้ใดยกมือแม้แต่คนเดียวสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสรุปว่าเห็นไหมไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่าเขาอยากฟังท่านเล่านิมนเล่าได้พระครูเอื้อนจึงเล่า ว, ว่าสมัยพุทธกาล เศรษฐีเมืองโกสัมพีมีบุตรชายยังเป็นเด็กทารกวันหนึ่งพี่เลี้ยงก็พาไปอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนากำลังอาบน้ำให้ก็ทำเด็กลื่นหลุดมือหายไปในแม่น้ำปลาใหญ่ฮุบเด็กไว้แล้วกลืนลงไปในท้องต่อมาปลาตัวนี้ก็ถูกจับได้ในแม่น้ำคงคาเมืองพราราณสีแล้วก็ถูกนำไปขายให้ภรรยาเศรษฐีที่เมืองพราราณสี ภรยาเศรษฐีผ่าท้องปลาเห็นเด็กทารกอยู่ในนั้นแล้วก็ยังไม่ตายจึงนําไปเลี้ยงเป็นบุตรต่อมาเรื่องก็เล่าลือกันไปไกลถึงเมืองโกสัมพีเศรษฐีกับภรรยาจึงพากันมายังเมืองพารณสีเพื่อขอบุตรคืนเศรษฐีเมืองพารณสีก็ไม่ยอมคืนให้จึงเกิดฟ้องร้องกันขึ้นพระราชาทรงตัดสินให้เด็กคนนั้นเป็นลูกของสองตระกูล ให้อยู่ในตระกูลละหกเดือนสลับกันไปเด็กนั้นจึงได้ชื่อว่าพากุละแปลว่าคนสองตระกูลหรือผู้ที่สองตระกูลเลี้ยงเศรษฐีสองตระกูลต่างพากันเลี้ยงดูประคบประงมท่านเป็นอย่างดีไม่เห็นจะเอาท่านไปทิ้งเหมือนคนสมัยนี้เลยจริงไม่โยมก็ท่านเป็นคนมีบุญใครๆก็อยากเลี้ยงสตรีอายุน้อยผู้หนึ่งพูดขึ้น นั่งฟังมานานเพิ่งจะได้โอกาสพูดถ้าท่านไม่มีบุญก็คงตายตั้งแต่อยู่ในท้องปลานั้นแล้วบุรุษสูงอายุถือโอกาสพูดบ้างเพราะฟังพระและคนหนุ่มคนสาวพูดมานานแล้วท่านพระครูจึงถามศัลยะแพทย์คนเก่งว่าทำไมท่านถึงไม่ตายคุณหมอรู้ไหมเพราะท่านเป็นคนมีบุญอย่างที่คุณลุงว่าแต่บุญในที่นี้ มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับหลวงพ่อเพราะไม่ได้หมายถึงบุญธรรมดาอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปแต่หมายถึงบุญบา ร, รมีที่ท่านสะสมอบรมมาแต่ครั้งอดีตชาติแล้วก็มาเจริญบริบูรณ์ในชาตินี้คือท่านจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันในชาตินี้เท่ากับชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านจะไม่ตายก่อนที่จะสาเร็จเป็นพระอรหรัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระครูเอื้อนจึงถือโอกาสเสริมว่าอาตมาจึงตั้งเป็นสูตรว่าคนมีบุญถูกไฟไม่ไหม้น้ำไหลไม่จมลมพัดไม่เปริวยามหิวไม่อดเหมือนท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงที่รถความคอหักไม่ยักตายม้อยมอนท่านถือโอกาสล้อเลียนท่านเจ้าของกุฏิ ท่านไม่ต้องมายกยอปอปั่นถึงปานนั้นยังไงยังไงผมก็ไม่นิมนต์ฉันมือเย็นที่วัดนี้ท่านพระครูสัพยอกบ้างเรื่องท่านพากุละนะ่ะจะยังไม่จบนะครับนิมนต์ท่านเล่าต่อศัลยแพทย์อีกคนพูดขึ้นเพราะอยากฟังต่อตกลงอาตมาจะเล่าต่อพระครูเอื้อนรับคำแล้วเล่าต่อท่านพากุละเกาะครองครวาดวิสัยอยู่จนแปสิปี ด้ยความเจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นบุตรเศรษฐีถึงสองตะโกลต่อมาได้ฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจึงมีความเลื่อมใสจึงละคารวาะวิสัยออกบวชเป็นบรรพชิตท่านบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงบรรลุพระอาหารหันต์และได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตัคขะในทางเป็นผู้มีอาพาธน้อยคือสุขภาพดี ท่านครองเพศบรรพชิตยอยู่อีก8ปสิปีจึงปรินิพานรวมอายุท่านได้ร้อยหสิปีเป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกพระอาตมายังไม่เคยได้ยินว่าใครมีอายุยืนกว่าท่านทาไมถึงอายุยืนคุณหมอรู้ไหมท่านพระครูถามคุณหมอหน่มผู้ปราดเปรื่องเพราะท่านรู้ว่านอกจากบุคคลนี้แล้ว ไม่มีผู้ใดในกุติจะตอบคำถามของท่านได้พอทราบครับคือผมได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของท่านมาอย่างดีคนเราต้องเวียนตายเกิดหลายภพหลายชาตินะครับหลวงพ่อแล้วการที่ท่านบำเพ็ญบารมีจนมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะใช้ความเพียรพยายามเฉพาะชาตินี้เท่านั้นความจริงท่านบำเพ็ญมานานนับเป็นกับกับ หรือนับเป็นพุทธันดอนเช่นในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทศีท่านพากุละเกิดเป็นพรามและต่อมาก็บวชเป็นฤาษีได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอโนมัทศีพุทธเจ้าจึงได้ถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงประชวรพระอุทธร ก็ได้เยียวยารักษาพระองค์จากนั้นก็ตายไปเกิดในพรหมโลกครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะท่านภากุละก็มาเกิดเป็นผู้ครองเรือนอยู่ในเมืองโหงสวัสตีได้ยินพระรูปหนึ่งประกาศว่าท่านเป็นผู้มีสุขภาพดีที่สุดท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ท่านได้รับพรเช่น พระรูปนั้นมีชีวิตหน้าครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทันพากุลาก็ได้เกิดในเมืองพันธุมตีและถือเพศเป็นฤาษีเมื่อได้พบกันกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงประกาศแต่งตั้งให้ท่านและหมอยาทำการรักษาพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอาพาธได้โรคตินะปุพกั มันเป็นยังไงครับโลกนี้บุรุษผู้สูงอายุถามขึ้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันภาษาบาลีเขาใช้คำว่าตินนาปุกพกะโรคะตินะแปลวะา่าหญ้าปุกพกกะแปลว่าดอกไม้สงสัยโรคแพ้ดอกหญ้าซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าโรคภูมิแพ้ผมอธิบายอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่อ เขาถามท่านพลักครูคงไม่ผิดกระมังอาตมาก็ไม่ใช่หมอเสียด้วยสิท่านออกตัวแล้วยังไงอีกคะพยาบาลสาวถามหมอหนุ่มจึงเล่าต่อต่อมาในสมัยพระกสปะพุทธเจ้าท่านพากละ ก็ได้ทำการปฏิสังขรวิหารเก่าหลังหนึ่งและทําเป็นสถานพยาบาลภิกษุอาพาธท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาสุขภาพให้ผู้อื่นมาหลายกลับอาทิสงนนั้นจึงทําให้ท่านมีสุขภาพดีและอายุยืนเมื่อท่านอายุร้อยหกปีเพื่อนของท่านคนหนึ่งชื่ออาจารกัตสปะได้มาเยี่ยมท่านที่เวรุวรรารามเมืองราชคฤ ท่านพากุละก็ได้เล่าประสบการณ์เป็นภิกษุในช่วง80ปีของท่านให้อเจลกัตสปะฟังอเจรักัตสปะเกิดความเลื่อมใสจึงได้ขอบวชกับท่านหลังจากที่ท่านบวชได้ไม่นานอเจลกัตสปะก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านพากุละก็ปรินิพานเก่งมากคุณหมอเก่งมากอาตมาขอชื่นชม เสียดายที่อาตมาเป็นพระเลยตบมือให้คุณหมอไม่ได้ท่านเจ้าของกุฏิแสดงความชื่นชมศัลยแพทย์หน่มอาตมาก็ชื่นชมด้วยอีกคนโยมเก่งมากเก่งกว่าอาตมาสิอีกพระครูเอื้อนชมบ้างจากนั้นจึงกล่าวคำอำลาหลวงพี่ผมเห็นจะต้องกราบลาพรุ่งนี้จะมาเข้ากรรมฐานแล้วก็จะพายโยมคนนั้นมาฝากไว้ที่สำนักชีชั่วกราว หรือเกิดหลวงพี่เมตตาจะให้อยู่ถาวรก็ไม่ว่าเอาล่ะเรื่องนั้นค่อยว่ากันแล้วท่านมายังไงล่ะผมมารถประจำทางครับแล้วุ่้นี้จะมายังไงจะพายโยมเข้ามารถประจำทางหรือคงไม่ไหวหรอกครับแกคงเดินไม่ไหวเพราะต้องเดินมาขึ้นรถที่นาตลาดสงสัยว่าจะต้องเมาสรถมาไม่ต้องเมาส์ พรุ่งนี้จะให้เจ้าสมชายขับรถไปรับเข้าไปถูกหรอครับคงไม่ถูกแต่ผมจะให้เจ้าแดงไปด้วยเจ้าคนนี้เขารู้ทางพันอยากกังวลเอาไว้ธุระของผมเองพรุ่งนี้หลังจากเพลแล้วจะส่งรถไปรับขอบพระคุณหลวงพี่มากครับผมไม่รู้สึกผิดหวังเลยที่อุตส่าห์ดันด้นมาขอความช่วยเหลือหลวงพี่เมตตาผมมาก ภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าพูดเสียงเกลือเพราะความปีติท่านกราบสมพานวัดป่ามะม่วงสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปคุณหมอรู้ไหมว่าทําไมโยมคนนั้นถึงได้เอาแม่มาทิ้งไว้กับท่านพระครูรูปนี้ท่านถามหมอผ่าตัดผู้เก่งกาจปลาดเปลืองผมคิดว่าเป็นเรื่องของวัตจักรชีวิตครับหลวงพ่อคือคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดกันหลายกลาบหลายการ อาจจะเป็นไปได้ว่าชาติก่อนท่านพระครูอาจจะเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นและท่านก็เอาแม่ไปทิ้งให้ผู้ชายคนนั้นเลี้ยงมาชาตินี้ผู้ชายคนนั้นก็มาเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นเลยเอาแม่มาทิ้งให้ท่านเลี้ยงเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อแม้คุณหมอนี่คิดแบบเดียวกับอาตมาเลยอาตมาคิดว่าเมื่อท่านเข้ากรรมาฐาน ท่านก็จะพบทางออกที่ดีคือน้องสาวของผู้ชายคนนั้นจะมาตามหาแม่ที่วัดนี้แล้วเขาก็จะเอาแม่กลับไปเลี้ยงดูผู้ชายคนนั้นเอาแม่มาทิ้งโดยที่ไม่ให้น้องสาวรู้เมื่อเอาแม่ไปเลี้ยงคนเป็นน้องสาวก็จะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานส่วนพี่ชายก็จะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเพราะทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่มากเลือกเกิน